การพยายามค้นหาคนไร้ทิติคือการหลงงงเข็มที่ไม่เคยตกลงไปในมหาสมุทรจะเลือกใครคำตอบอยู่ที่หัวใจของคุณความรักมากมายล้มเหลวก่อนที่จะเริ่มต้นจริงจังด้วยซ้ำเหตุผลคือไม่อาจทนข้อเสียใหญ่น้อยของอีกฝ่ายไว้ธรรมดาของคนเราขอให้อยู่ใกล้ใคร จะเจรณาได้หมดว่าเขาหรือเธอมีข้อเสียอันใดบ้างแต่ให้เจอข้อดีเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยแสนลำเค็นนั่นก็เพราะข้อดีเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาส่วนข้อเสียไม่ต้องหาก็เห็นได้ตั้งแต่เจอหน้าตาหรือมองเนื้อตัวแล้วทุกคนเป็นไปตามกรรมกรรมบันดาลทุกสิ่งและเพราะคนเราไม่อาจคิดดีไม่อาจพูดดี ไม่อาจทำดีได้ตลอดเวลาคนเราจึงต้องมีข้อบวกพร่องทางกายบ้างมีข้อเสียทางนิสัยบ้างตลอดจนกระทั่งมีชะตากรรมแย่ๆบ้างหากอยากรู้ว่าทำไมคนดีพร้อมสมบูรณ์ถึงหายากนักก็ให้พยายามสักอาทิตย์ลองทำดีให้ถึงพร้อมดูห้ามใจไว้อย่าได้คิดแย่ๆอย่าได้พูดแย่ๆอย่าได้ทำแย่ๆเลยสักนิดถ้าทาได้ก็นั่นแหละครับ มเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นคนครบสูตรไร้ทิฏฐิในชาติหน้าแต่ถ้าทำไม่ไหวก็ต้องถามตัวเองว่าจะให้ไม่มีส่วนแย่ในคุณหรือคนอื่นเลยอย่างไรได้และอ่านที่จริงก็ไม่มีใครตอบถูกด้วยซ้ำว่าดีไร้ทิฏฐิเป็นอย่างไรเพราะทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับความพอใจเป็นหลักสมมุติว่าคุณพบคนที่หล่อสวยรวยเก่งใจดีมีเมตตา แต่ดันนับถือคนและศาสนากับคุณเท่านี้คุณก็อาจยัดข้อหางมงายหลงทางผิดให้เขาหรือเธอได้แล้วข้อเสียที่เป็นข้อเสียจริงๆนั้นถึงอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนพลิกมุมมองอย่างไรก็เป็นข้อเสียวันยังค่าเรารบกวนหรือเบียดเบียนกันอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นขี้เมาอลวาวัตติดพนันงมงแงมไม่ยอมทางาน เอ อ, อะดาส่งเสียงดังแปดบ้านแต่ยังมีข้อเสียอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ข้อเสียจริงๆท้าว่าเป็นข้อด้อยที่คุณไม่อยากยอมรับเช่นโครงสร้างร่างกายบางส่วนดูผิดฟ้าผิดตัวไม่สมส่วนทำให้คุณเกิดความอับอายในที่สาธารณะเป็นต้นโจทย์คงไม่ใช่เห็นข้อเสียหรือข้อด้อยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคิดว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดี แต่คุณต้องรวมข้อเสียและข้อด้อยใหญ่น้อยทั้งหมดของเขามาชั่งน้ำหนักว่าผลักดันให้คุณอยากออกห่างหรือว่ายังไม่อาจเทียบกับความรู้สึกดีๆที่เขาเดึงดูดคุณไว้ได้เอาง่ายๆตอนคุณคิดถึงเขาคุณคิดถึงข้อดีหรือติดข้องอยู่กับข้อเสียของเขามากกว่ากันนั่นแหละคือน้ำหนักที่ใจคุณชั่งเอาไว้ตอบตัวเองโดยไม่ต้องมานั่งแยกยะเป็นข้อๆด้วยซ้า สรุปคือไม่ว่ากับใครคุณก็ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักข้างดีข้างร้ายเช่นนี้เสมอส่วนคุณจะเลือกใครคำตอบอยู่ที่หัวใจของคุณไม่ใช่ข้อเสียของเขา